เพราะความมงคลหรือความไม่มงคลความอัปมงคลเกิดที่การกระทําของพวกเราคือการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจไม่ใช่เกิดเพราะว่ามีคนทํานายว่าวันนี้เป็นวันสิ้นโลกคนทําลายวันสิ้นโลกนี้มีทํานายมาตั้งแต่เราเกิดมาแล้ว ก็ยังไม่เห็นมันสิ้นสักทนะีโลกจะสิ้นหรือไม่สิ้นมันไม่เรื่องมันไม่ใช่เป็นสิ่ง อ, อปตะมงคลพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นกฎของธรรมชาติเป็นธรรมดาที่มีเจริญย่อมมีเสือ่อมมีเกิดย่อมมีดับนะเป็นธรรมดาโลกนี้สักวันหนึ่งมันต้องดับแน่ๆเพราะมันไม่สามารถที่จะ เป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้ไปได้ตลอดเพราะมันอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังคือความไม่เที่ยงแต่ความเสือ่อมความดับของสิ่งต่างๆนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้นำความอับประมงคลมาสู่ชีวิตของพวกเราความจริงถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆถึงความดับถึงความเสือ่อม พพเจ้าสงตัดว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเป็นปัญญาเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไปยึดไปติดกับสิ่งที่ต้องดับนะตอนนี้พวกเราหลงไปยึดติดกับสิ่งที่ต้องดับพอสิ่งที่ต้องดับดับไปหรือมีข่าวว่าจะดับพวกเราก็เกิดความโกลาหลเป็นเหมือนกระต่ายตื่นตู เคยได้ยินนิทาเนเรื่องกระต่ายตื่นตัวไหมมีกระต่ายนอนอยู่ใต้ต้นตาลแล้วลมพัดมาแรงทำให้ลูกตาลหล่นลงมากระต่ายซึ่งนอนหลับฝันกำลังฝันอยู่พอดีก็เลยฝันว่าโลกถล่มทลายพอได้ยินเสียงลูกตาลหล่นลงมา ก็คิดว่าโลกถล่มทลายก็เลยเกิดความตื่นตระหนกโกลาหลวิ่งหนีเอาเพื่อเอาชีวิตรอดวิ่งไปไหนมีสัตว์ตัวอื่นพบเข้าก็ถามว่าไปไหนก็บอกว่าโลกกำลังถลม่มสัตว์ตัวอื่นได้ยินก็ตื่นตระหนกตามวิ่งหนีตามกันเป็นฝูงจนไปเจอพระราชสีราชสีสิงโต สิงโตก็เลยถามว่าพวกเจ้าจะไปไหนกันกำลังหนีแผ่นดินถล่มกันราชสีว่ามันถล่มตรงไหนพาไปดูหน่อยความที่กลัวราชสีมากกว่ากลัวโลกที่จะถล่มก็เลยต้องพาไปดูจุดที่เกิดเหตุ พอไปเห็นราชสีก็เห็นว่ามีแต่ลูกตานอนอยู่ใต้ต้นต า, าก็บลอกนี่หรือโลกถล่มเป็นอย่างนี้หรือนะทุกสัตว์ทั้งหลายจึงได้สติสตานกลับคืนมานี่ก็เหมือนกันพวกเราก็เป็นเหมือนกระตาตื่นตูมกันพอเขาบอกว่าโลกจะถล่มทลายจะสิ้นโลกในวันนี้ก็ตื่นตะหนกกันโกลาหุนกันใหญ่จน จะได้มาฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทเจ้าแล้วเราก็จะได้หายตื่นตระหนกกันเพราะหนึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นโลกก็ยังไม่สิ้นไม่มีอะไรผิดปกติ 2. ถ้ามันจะเกิดเราก็ไปยับยั้งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด เราเป็นเพียงหนูตัวเล็กๆเราจะไปยับยั้งช้างได้อย่างไรเหตุการณ์ต่างๆนี้เป็นเหมือนช้างแต่ตัวพวกเรานี้เป็นเหมือนหนูไม่มีใครที่จะไปยับยั้งเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาได้ภัยธรรมชาติต่างๆไม่มีใครยับยั้งมันได้ความตายของพวกเราก็ไม่มีใครยับยั้งมันได้ แต่สิ่งที่เรายับยั้งได้ก็คือความทุกข์ความกลัวเพราะความทุกข์ความกลัวนี้เกิดจากความหลงคือไม่เข้าใจว่าใจของเรานี้ที่กลัวที่ทุกข์อยู่นี้ไม่มีวันตายไม่มีอะไรที่จะสามารถมาทําลายใจของพวกเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันสิ้นโลกหรือมี ระเบิดปรมาณูหรือมีภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะมาทางน้าหรือทางลมหรือทางไฟหรือทางแผ่นดินมันจะไม่มาสามารถทําลายจิตใจของพวกเราได้เพราะจิตใจของพวกเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้จิตใจของพวกเราอยู่ในโลกทิศอยู่อีกโลกหนึ่งเราใช้กระแสจิต มารับรู้สิ่งต่างๆของโลกนี้ผ่านทางร่างกายของเราร่างกายนี้เป็นเหมือนกล้องวงจรปิดกล้องโทรทัศน์เป็นเหมือนไมโครโฟนเป็นเหมือนตัวรับความรู้ต่างๆแล้วส่งไปที่โลกทิพย์ส่งไปที่ใจใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเวลาที่ร่างกายโดน เหตุการณ์ต่างๆเช่นแผ่นดินไหวหรือพายุต่างๆมาทำลายสิ่งที่ตายไปก็คือร่างกายแต่ผู้ที่เป็นผู้ที่รับรู้สิ่งต่างๆจากร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปตามร่างกายใจนี้เป็นเหมือนผู้ที่รับรู้เหมือนผู้ที่นั่งดูภาพยนตร์ส่วนเหตุการณ์ในจอภาพยนตร์นี้ ไม่ได้สามารถมาทำลายผู้ดูภาพยนตร์ได้ในภาพยนตร์จะมียิงกันขนาดไหนระเบิดกันขนาดไหนจะมีแผ่นดินไหวมีพายุใหญ่ขนาดไหนมันก็อยู่ในจอเท่านั้นเองมันไม่ออกมานอกจอคนดูไม่ต้องไปตื่นตนกเพราะไม่มีวันที่จะมาทำลายคนดูได้ นี่แหละคือใจกับร่างกายของพวกเราเป็นอย่างนี้ร่างกายของเราเป็นเหมือนตัวละครอยู่ในจอนงจอภาพยนตร์ส่วนใจคือพวกเรานี้เป็นผู้ดูภาพยนตร์แล้วเราก็หลงไปตื่นตนกกับเหตุการณ์ในจอภาพยนตร์เวลาเกิดอะไรกับร่างกายขึ้นมาเราก็ทุกแทนร่างกายร่างกายเขาไม่ทุกข์ด้วยเลย เพราะเขาไม่รู้สึกอะไรเขาไม่มีความรับรู้ตานี้เขาไม่รับรู้เขาเพียงแต่รับส่งภาพเป็นสื่อเท่านั้นเองเป็นเหมือนกล้องโทรทัศน์เหมือนเหมือนกับกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเขาไม่รู้ว่าเขาถ่ายรูปอะไรกล้องโทรทัศน์เขาไม่รู้ว่าเขาถ่ายอะไรอยู่ผู้ที่รู้คือคนถ่ายคนถ่ายก็คือใจ ใจเป็นผู้รับรู้แล้วก็ไปดีใจเสียใจไปสุขไปทุกข์กับสิ่งที่รับรู้เท่านั้นเองถ้าเรามีความรู้ที่ถูกต้องรู้ความจริงเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามเกิดขึ้นกับอะไรก็ตามหรือเกิดขึ้นกับร่างกายของเราก็ตาม ใจของคนที่ไม่หลงแล้วจะไม่เดือดร้อนจะรู้ว่าเป็นเหมือนกับการดูภา พ, พยนตร์แค่นั้นเองเช่นถ้าร่างกายนี้จะตายไปก็ดูมันตายไปมันหายใจอยู่ก็ดูหันว่ามันยังหายใจอยู่พอมันไม่หายใจก็รู้ว่ามันไม่หายใจถ้าเราทำใจให้รู้เฉยๆได้ใจของเราจะไม่มีความทุกข์กันแต่ปัญหาของใจของพวกเรา ที่ทุกกันก็เพราะว่าทำใจให้เฉยไม่เป็นไม่รู้จักวิธีทำใจให้เฉยหรือรู้แต่ก็ไม่ทำกันถ้ารู้จักทำใจให้เฉยได้แล้วเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับใจใจมีหน้าที่เพียงแต่ให้รู้เฉยๆอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจอย่าไปรักอย่าไปชัง อย่าไปกลัวอย่าไปหลงแล้วรับรองได้ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะไม่ทำให้จิตใจหวั่นไหวแต่อย่างใดนี่คือความเป็นมงคลอยู่ตรงนี้อ ย, นอยู่ตรงที่มีสัมมาทิฏฐิมีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องให้เห็นว่าเราไม่ใช่สิ่งต่างๆในโลกนี้ สิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราเป็นเพียงคนดูสิ่งต่างๆดูเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ผ่านไปพอร่างกายนี้ตายไปก็เหมือนกับเราก็ขาดการติดต่อรับรู้ร่างโลกนี้ไปชั่วคราวเหมือนกับเวลาที่โทรศัพท์มือถือของเราเสียเราก็ขาดติด ขาการติดต่อกับคนต่างๆไปชั่วคราวแต่พอเราไปซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่มามาเปิดเครื่องเราก็สามารถติดต่อข่าวสารต่างๆจากคนต่างๆได้เหมือนเดิมร่างกายเรานี่ก็เป็นเหมือนกับโทรศัพท์มือถือนี่เองที่เราใช้ติดต่อกับคนอื่น แต่พอเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถติดต่อกับเขาได้เราก็ต้องรอจนกว่าเราได้ร่างกายอันใหม่เราเดาได้ร่างกายอันใหม่เราก็มาติดต่อมารับรู้กับคนตางกับคนนัสสิงต่างๆได้เหมือนกับที่เรามาเกิดในชาตินี้ชาติก่อนเราตายมาใจของเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นวิญญาณใจกับวิญญาณนี้เป็นตัวเดียวกัน ใจคือตัวรับรู้สิ่งต่างๆตัวรู้ตัวคิดนี่คือใจแต่พอออกจากร่างกายเราก็เปลี่ยนชื่อว่าเป็นวิญญาณเหมือนเวลาผู้หญิงเป็นยังไม่แต่งงานก็เรียกว่านางสาวพอแต่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นนามไปแต่ก็เป็นคนคนเดียวกันใจหรือจิตกับวิญญาณนี้เป็นตัวเดียวกันเป็นตัวที่ รับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านทางร่างกายพอไม่มีร่างกายก็ไปหาร่างกายอันใหม่มารับรู้ต่อเราเปลี่ยนร่างกายมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านร่างกายแล้วและเราก็จะเปลี่ยนร่างกายอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา เพราะมีพระพุทธเจ้าและพระศาสนาพระพุทธศาสนาท่านั้นที่รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเราเมื่อเรารู้ความจริงแล้วว่าเราไม่ได้เป็นสิ่งต่างๆในโลกนี้เราไม่ได้เป็นร่างกายต่าให้เราได้สิ่งต่างๆมามากน้อยเพียงไรเมื่อร่างกายนี้ตายไปสิ่งต่างๆทั้งหลายก็หมดไปไม่ได้เป็นของเราเหมือนกับคนดูภาพยนตร์พอหนังจบก็ออกจากโรงไป ก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเวลาออกจากโรงภาพยนต์ฉันไดเวลาร่างกายนี้ตายไปก็เหมือนภาพยนต์เรื่องนี้ก็จบไปสมมุติเรื่องนี้ก็ผ่านไปสมมุติคือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองญาติสนิทมิสหายคู่ปู่ย่าตายายบิดามารดาสามีภรรยาบุตรธิดาก็จบไปแล้วก็ไปหาโรงใหม่ ไปดูหนังโรงใหม่พอเข้าไปในโรงใหม่ก็ได้เรื่องใหม่มาดูได้บิดาบารดาคนใหม่ได้สามีภรรยาคนใหม่ได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองใหม่เล่นนั้นไปดูละครใหม่ดูหนังเรื่องใหม่นี่คือใจของเราเป็นอย่างนี้เปลี่ยนโรงละครไปเรื่อยๆเปลี่ยนโรงภาพยนตร์ไปเรื่อยๆเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆ และทุกครั้งที่เปลี่ยนร่างกายก็ต้องเศร้าโศกเสียใจทุกทรมานใจขณะที่สูญเสียร่างกายของผู้อื่นไปก็ร้องหหงร่างห้าเศร้าโศกเสียใจเวลาเสียร่างกายของพ่อของแม่ไปของพี่ของน้องไปของสามีของภรรยาไปก็เศร้าโศกเสียใจทุกทรมานใจการเกิดภพเจ้าจึงบอกว่ามีแต่ความทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วว่าพราะองไม่ต้องเกิดก็มีความสุขได้ไม่ต้องมีความทุกข์ด้วยจะดีกว่าถ้าเกิดมาแล้วถึงแมว่าจะมีความสุขบ้างแต่ก็ต้องมีความทุกข์มีความทุกข์ที่เกิดจากการแกร่การเจ็บการตายการพลาดพลาดจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักถ้าตามได้แล้วยังเกิดอยู่ เราก็จะนั่ทุกข์อย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะพระเจ้าทรงเบื่อกับความทุกข์ทรงกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายจึงได้ศึกษาและปฏิบัติจนได้พบความจริงว่าพระองค์ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกก็ได้วิธีที่ไม่กลับมาเกิดอีกก็คือต้องหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราความอยากสามประการ ไม่ใช่ทุกไม่ใช่ความอยากทุกอย่างมีแต่ความอยากสามประการที่ต้องหยุดคือความอยากในกางเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลผลิตเช่นอยากดูหนังฟังเพลงอยากจะกินอยากจะดื่มอยากจะเที่ยวอยากจะหลับนอนกับคนนั้นคนนี้นี่เรียกว่าความอยากในการความอยากเหล่านี้เราต้องตัดให้ได้ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดเอง สความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอย่างนี้เรียกว่าความอยากมีอยากเป็นต้องตัดมันแล้วสความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่ยากจนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายต้องตัดมันให้ได้เพราะความอยากทั้งสานี้จะทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจนั่นเอง ส่วนความอยากอย่างอื่นนี้อยากได้เช่นอยากทำบุญนี้ไม่ใช่เป็นความอยากที่ที่ไม่ดีเป็นความอยากที่ดีอยากทำบุญอยากจะรักษาศีลอยากจะนั่งสมาธิอยากจะฟังเทศน์ฟังธรรมอยากจะบวชอย่างนี้เรียกว่าเป็นความอยากที่ดีเพราะเป็นความอยากที่จะทำลายความทุกข์ได้ เหมือนกับเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วอยากจะไปหาหมออยากจะไปกินยาอยากจะไปรักษาตัวเองให้หายอย่างนี้เป็นความอยากที่ดีแต่ถ้าอยากจะไปเที่ยวนี่มันจะไม่ดีเพราะว่าหนึ่งไปไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะไปก็ไปไม่ได้เมื่อไปไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ทรมานใจอยากจะฆ่าตัวตายคนที่เป็นอมนึกอมพา หรือคนที่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เช่นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยจะตายอย่างนี้ก็จะเกิดความอยากจะฆ่าตัวตายอันความอยากฆ่าตัวตายนี้ก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเพราะว่าไม่มีใครอยากจะตายกันนั้นเองเวลาอยากจะฆ่าตัวตายนี้ก็จะท่องทุกข์ทรมานใจมาก นี่คือความอยากที่ดีและไม่ดีทั้งหลายเพราะว่าบางครั้งคนเราฟังเทศไปแล้วพอบอกว่าความอยากไม่ดีก็เลยคิดว่าก็ไม่อยากจะทำบุญแล้วไม่อยากจะรักษาศีลไม่อยากจะมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมความอยากเหล่านี้เป็นความอยากที่ดีเพราะเป็นเหมือนกับความอยากจะไปโรงพยาบาลอยากจะไปหาหมอ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่สิ่งความอยากที่ไม่ดีนี่เราต้องละให้ได้ความอยากในกามเช่นวันนี้ผู้ที่อยากจะตัดความอยากในกามซึ่งก็เลยมาถือศีลแปดกันศีลแปดนี้จะมาตัดความอยากในกามหรืออย่างน้อยก็มาเบรกมันมาห้ามมันไว้เช่นอยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ วันนี้ก็หลับนอนกับใครไม่ได้ต้องนอนคนเดียวนอนกับหมอนข้างได้อยู่แต่นอนกับคนไม่ได้ต้องนอนคนเดียวแล้วก็ต้องนอนบนพื้นแข็งไม่ให้นอนบนฟูกหนาๆเพราะไม่ต้องการหาความสุขจากการหลับนอนต้องการหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายเท่านั้นเองเช่นเดียวกับการรับประทานอาหาร ก็จะไม่รับประทานหามเพื่อความสุขให้เกิดความสุขแต่รับประทานเหมือนกับรับประทานยาเพื่อให้ร่างกายดับความหิวของร่างกายเพื่อให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วย mm. ก็ไม่ต้องรับประทานแบบสามสี่มือ้อหรือห้ามือ้อหรือรับประทานทั้งวัน mm. ให้รับประทานเพียงครั้งหรือสองครั้งก็พอแล้ว ญาติโยมบางนคนมีจิตใจที่เข้มแข็งกล้าหาญก็รับประทานมื้อเดียวก็มีหลังจากนั้นก็จะไม่รับประทานอะไรอีกนอกจากดื่มน้ำเปล่าเท่านั้นถ้าดื่มน้ำที่มีสีมีกลิ่นก็เป็นการทำตามความอยากคือการมากตานหาอย่างอยากในสีในกลิ่นในรสอยู่ ซึ่งไม่ใช่เป็นการดื่มน้ำแบบดื่มยาถ้าจะดื่มน้ำแบบดื่มยานี่ต้องดื่มน้ำเปล่ า, ล, าลองทำดูวันนี้เป็นวันพระลองมาตัดความอยากดูแล้วจะทำให้จิตชีวิตของเรานี้สุขสบายขึ้นตอนทำใหม่ๆก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าไม่เคยทำต้องต่อสู้กับความอยากแต่ถ้าเราทำไปบ่อยๆเท่าทำไปนานๆาเข้า ต่อไปความอยากในการจะอ่อนกําลังลงต่อไปเราอยู่คนเดียวเราก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่มีความรู้สึกว่าเหว่ยเศร้าสร้อยหงอยเหงานอกจากการที่มาหยุดความอยากด้วยการถือสีนแปแล้วเราก็ต้องมาหยุดมันด้วยการทำใจให้สงบอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าการใช้ศีนแปนี้มันยัง ทำให้ใจคิดได้อยู่คิดอยากนั่นอยากอย่างนี้ได้อยู่พอคิดอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจถึงแม้ว่าจะถือศีลแปดอยู่ศีลแปดก็ไม่สามารถดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากเช่นอยากร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้หรืออยากจะรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าอยากจะไม่ทุกข์ทรมานใจก็ต้องมา นั่งสมาธิทำใจให้สงบเพราะถ้าทำใจให้สงบได้แล้วความอยากก็จะสงบไปชั่วคราวสงบไปกับความสงบของใจการที่จะทำใจให้สงบได้ก็ต้องมีสติสติเป็นเหมือนเชือกที่จะลากใจให้เข้าไปสู่ความสงบใจนี้เป็นเหมือนลิงถ้าเราอยากจะจับลิงเข้ากรง เราต้องมีเชือกคล้องคอคล้องคอมันไว้แล้วก็ลากมันเข้าไปในกรงถ้าเราไม่มีเชือกถ้าเราต้องวิ่งตามจับลิงนี้วิ่งไปเท่าไหร่เราก็จะไม่มีวันที่จะจับมันได้เพราะลิงมันจะวัยกับเราหลายเท่าด้วยกันเช่นเดียวกับจะจิตของเราคือความคิดของเรานี้เราต้องหยุดความคิดของเราให้ได้ถ้าเราอยากจะให้ใจสงบเป็นสมาธิ การที่จะหยุดความคิดได้ก็ต้องใช้สติเช่นพุทธานุสติก็คือใช้พุทโธเป็นเครื่องมือหยุดความคิดถ้าเราคิดแต่พุทโธพุทโธไปอย่างเดียวความคิดอื่นๆก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เมื่อไม่เกิดขึ้นมาได้ใจของเราก็จะว่าจะเย็นจะสบายความทุกข์ความวุ่นวายใจของเรานี้เกิดจากความคิดของเราเอง คิดในเรื่องที่ไม่ดีแล้วทำให้ทุกข์ใจวุ่นวายใจแต่ถ้าคิดในเรื่องที่ดีคิดในเรื่องที่เป็นมงคลก็จะทำใจของเราให้สงบให้เย็ยนได้เช่นคิดถึงคาว่าพุทโธพุทโธนี้ก็ทำให้ใจสงบทำให้ใจเย็ยนได้หรือถ้าเราเป็นคนที่มีเหตุมีผลคิดถึงความตายก็ทำให้ใจของเราเย็ยนได้สบายได้ เามื่อคิดถึงความตายแล้วก็จะไม่อยากจะโลภได้อะไรเพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องตายแล้วจะเอาไปทำไมมากมายกายกองเงินทองเท่าของต่างๆไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่อาจจะตายวันนี้ก็ได้วันนี้อาจจะเป็นวันสิ้นโลกก็ได้แต่คนที่ยอมตายแล้วจะไม่ทุกข์กับความตายจะไม่โลภไม่อยากได้อะไรจะอยู่หรือจะตายเท่ากันไม่เดือดร้อน นี่คือความคิดที่ดีคิดแล้วจะทําให้ใจมีความสงบใจมีความเย็นสบายไม่วุ่นวายไม่เหลือดร้อนไม่ตื่นเต้นกับเหตุการณ์ต่างๆนี่คือการวิธีตัดความอยากเช่นกามาตัาหาตัดวิภาวะตันหาคือความอยากไม่ตายเมื่อเราสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาต้องตายแน่ๆไม่มีใครหนีพ้น ความตายเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่ตายไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ต้องกลัวตายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายปล่อยให้ร่างกายมันตายไปเราอยู่ต่อไปแน่นอนเพราะว่าใจของเรานี้ไม่มีวันตายนั่นเองเพราะพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตายครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ไม่ได้ตายสิ่งที่ตายเป็นเพียงร่างกายของท่านเท่า น, นั้นเองสิ่งที่เรา ร่างกายของเราก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อถึงเวลามันก็ต้องตายไปแต่ถ้าเรารู้ความจริงแล้วเราจะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายเราจะไม่กลัววันสิ้นโลกโลกจะสิ้นไม่สิน้นมันก็ไม่ปเปลี่ยนแปลงความจริงคือความตายของเราได้อยู่ดีวันนี้โลกไม่สิน้นแต่วันพนุ่งนี้ชีวิตของเราก็อาจจะสิ้นได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเรา ใช้ธรรมะมาคอยสอนใจมาดับความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้แล้วเราจะไม่มีความทุกข์เราจะอยู่อย่างเย็นสบายสุขสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราแต่ที่เราวุ่นวายเราทุกข์ก็เพราะว่าเราหลงไปคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานั่นเอง ดังนั้นเราต้องหมั่นสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของใครทั้งนั้นร่างกายของพวกเรานี้ไม่ได้เป็นของใครไม่ได้เป็นของพ่อของแม่ไม่ได้เป็นของพี่ของน้องไม่ได้เป็นของสามีของภรรยาของลูกของเพื่อนมันเป็นของดินน้ำลมไฟมันมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวมันก็ต้องกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟ อาหารที่เรากินเข้ามานี้มันมาจากไหนถ้ามันไม่มาจากดินน้ำลมไฟปลูกข้าวนี้ต้องมีดินหรือเปล่าต้องมีน้ำหรือเปล่าต้องมีลมมีไฟหรือเปล่าถ้าไม่มีต้นข้าวมันจะโตได้อย่างไรมันจะออกรวมข้าวให้เรากินได้อย่างไรร่างกายของเราโตขึ้นมาถ้าไม่มีข้าวกินจะโตขึ้นมาได้อย่างไรดังนั้นร่างกายของเราก็มาจากดินน้าลมไฟ แล้วเวลาตายไปมันก็กลับไปสู่ดินน้ำลมไฟเวลาตายไปเผาไปแล้วเหลือแต่อะไรก็เหลือแต่เศษกระดูกเหลือแต่ขี้เถ้าขี้เถ้าถ้าไม่เป็นดินแล้วเป็นอะไรเศษกระดูกนี้ไม่เป็นดินแล้วเป็นอะไรมันก็เป็นดินน้ำลมไฟนี่คือร่างกายของเราแต่ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเป็นของชั่วคราวเราได้มาเพื่อที่จะเอามาทาตามความอยากของเรา ถ้าเราหมดความอยากแล้วเราก็จะไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไม่ต้องมาทุกกับร่างกายอันใหม่อีกต่อไปนี่แหละคือวันมงคลมงคลที่ว่าได้มาฟังเทศฟังธรรมกาเลนะธรรมะสาวนังเอตัมมังกลมุตตะมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง 1. ็หนึ่งจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเราก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นไปสามเราก็จะกำจัดความสงสัยได้เช่นวันนี้นมีคนถามว่าใจจิตใจกับวิญ ญ, ญาณนี้เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่า ตอนนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วหายสงสัยแล้วว่าเป็นตัวเดียวกันเวลามีร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจเวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าวิญญาณพอไปเกิดได้ร่างกายอันใหม่วิญญาณก็กลายเป็นจิตใจขึ้นมาใหม่เหมือนนางสาวพอแต่งงานก็เป็นนางพอหย่าก็กลับมาเป็นนางสาวได้ใหม่นี่คือ เรื่องของความจริงที่เราไม่รู้กันพอฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้รู้กันก็จะหายสงสัยแล้วก็จะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่จะต้องสูญดับไปนี้ไม่ได้ทำให้เราดับไปด้วยเราไม่ได้ดับไปกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เราก็จะไม่เดือดร้อนใจของเราก็จะมีความสุข มีความสงบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆหรือเกิดขึ้นกับโลกนี้ก็จะไม่ได้ทำให้จิตใจของเราวุ่นวายหรือทุกข์แต่อย่างใดนี่คือความเป็นมงคลที่พวกเราทั้งหลายได้มาสร้างกันในวันนี้จึงขอฝากเรื่องของความเป็นมงคลในวันพระนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิพิจารณาและปฏิบัติ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 แล้วก า, าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากานเธอ